ข้อสามตัวยาที่กรณะในตัติยาวิพัฒน์ไม่มีอะไรอธิบายเพิ่มเติมมากดูแปงเลยดูตัวขยายตัติยาด้วยกันตัวตั้งกับตัวขยายเป็นตัติยาข้อหนึ่งอะหังเอเกนะหัตเถนะกรมมันตังกะโรมิอะหังขพเจ้ากะโรมิย่อมกระทํากรมมันตังซึ่งงานหัตเถนะด้วยมือ หัดเทนัด้วยมือเอเกนะข้างเดียวทำงานด้วยมือข้างเดียวเชน่นเขียนหนังสือเนี่ยเขียนหนึ่งมือมีใครเขียนหนังสือสองมือมัง้งเอเนะขยายหัดเทนะข้อ2สัพสเพหิมนุสเสหิกิจจังกันรานีย่างกิจจังก็แปะทับศัพท์ว่ากิจ สเผหิมนุสเสหิเป็นอนาภิตะกตาแปลว่าอันอันมนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงมนุสเสหิอันมนุษย์ทั้งหลายสเพหิทั้งปวงการระณียังควรรรมกิจอันมนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงควรธรรมข้อ3มาตาปิตังโรตีหิปุตเตหิสัททิงอาปนังคัตฉันติ มาตาปีตังโรแปลว่ามานดาและบิดาทั้งหลายอาคัดฉันตินะคัดฉันติย่อมไปอาปนังสู่ตลาดอาปนังสู่ตลาดสัตทิงกับตีหิปุเตหิด้วยบุตรทั้งหลายสามคนมานดาบิดาไปตลาดกับบุตรอีกสามคน อายะสมาสาังรีปุตรตะเถงโรผะหูหิสามะเนงเรหิสัทถิงพระวันตังปัสสีตุงเชตะวันังอะคามิอะคามิก็คืออะคมาสินั่นแหละอันเดียวกันอายัสมาสังรีปุตรตะเถงโรท่านพระสังรีบุตรผู้มีอายุอะคามิได้ไปแล้วเชตะวันังสู่วัดพระเชตวัน สิตุงเพื่อเข้าเฝ้าพระขะวันตังซึ่งพระผู้มีพระภาคสัททิ้งกับพระหูหิสามเณรเกรหิด้วยสามเณรทั้งหลายจํานวนมากภาษากรีบุฎกับสามเณรอีกหลายรูปเดินทางไปที่วัดพระเชตวันเพื่อเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาค กลับก็ได้พร้อมก็ได้ลองแปลดูสิไม่ยากเลย อ, อหังเอเกนะฮาเถนะคำมันตังกันโรมิข้าพเจ้าทำซึ่งงานด้วยมือข้างเดียวสาเพหิมนุษย์เสหิกิจจังถังรนียังเกียตอันมนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงควรทำ มาตาปีตังโรตีหิปุเตหิสัทิงอาปนังคัจฉันติมานดาและบิดาไปสู่ตลาดกลับด้วยบูตรสามคน<อ>กลับเฉยๆก็ได้หยุดเสียงฟังหน่อยไปคนลาทิศคนลทางเอาใหม่สิ ท่านพระสังรีบุตรผู้มีอายุได้ไปสู่วัดพระเชตวันเพื่อเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคกับสามเณรจํานวนมากพระสังรีบุตรผู้มีอายุไปวัดพระเชตวันเพื่อเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้ากับสามเณรอีกหลายรูป อายัสมาเป็นคำขยายว่าเป็นคนสำคัญถ้าสางริปุตเทโรเฉยๆก็ยังไม่ชัดเจนต้องมีอายัสมายกย่องยกย่องพาเป็นพระเถระอายุสูงแล้วหมดแล้วเท่านี้แหละต่อไปข้อส<ะ>ี่อะคมมิขมุธาต์อีอชัชะตนีรัศเป็นอิแปลว่าแล้ว